ความเห็นให้ถูกต้องคือให้มีสัมมาทิติที่จะเกิดจากการฟังธรรมเวลาฟังธรรมจึงไม่ควรกระทำสิ่งอื่นๆเช่นคุยกันหรือทำอะไรด้วยร่างกายของเราร่างกายควรจะนิ่งวาจาควรจะนิ่งใจก็ควรจะนิ่ง กิใจก็ไม่ควรที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะนั่งบริกรรมพุทโธก็ไม่ควรเพราะในขณะที่ฟังธรรมนี้เป็นเวลาฟังเพื่อให้เกิดปัญญาการที่จะเกิดปัญญาได้ก็ต้องตั้งใจฟังเสียงของธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ภายในใจถ้าพิจารณาตาม ได้ก็จะเกิดความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมานี่คือเรื่องของการฟังธรรมที่จะเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องฟังแล้วต้องพิจารณาตามถ้าฟังแล้วไม่พิจารณาหรือไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ ก็ให้ฟังเสียงของธรรมไปเรื่อยๆก็จะได้ความสงบคือจะได้สมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งบริกรรมพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าออกการนั่งบริกรรมพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าออกนี้คนทำรรในเวลาอื่นเวลาที่เราอยู่ตามลำพังแล้วเราต้องการจะทำใจให้สงบ เราก็บริกรรมพูดโทรไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็จะได้ความสงบในขณะที่ฟังธทรรมนี้ควรจะฟังให้เกิดปัญญาเพราะปัญญานี้มีคุณค่ามากกว่าสมาธิสมาธิเพียงแต่ทำให้กิเลสสงบตัวลงได้ชั่วคราวแต่ปัญญา จะสามารถทำลายกิเลสได้อย่างถาวรเลยเพราะปัญญานี้เป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนมีดที่จะฟันกิเลสให้ตายได้ส่วนสมาธินี้เป็นเหมือนยาสลบเพียงแต่ทำให้กิเลสสลบได้ชั่วคราวพอฤทธิ์ของยาฤทธิ์ของสมาธิหมดไปกิเลสก็จะฟื้น กับคืนขึ้นมาใหม่แต่ถ้าได้ใช้ปัญญาแล้วพอได้ค่ากิเลส ต, ตัวไหนแล้วกิเลส ต, ตัวนั้นก็จะไม่มีวันที่จะฟื้นกับคืนขึ้นมาใหม่ได้เลยนี่คือทางที่ที่เกิดจากกาังธรทมถ้าเราฟังด้วยสติคือใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปสู่ในใจ อย่าทำอะไรอย่างนื่นอย่าจัดข้าวจัดของอย่านั่งคุยกันอย่านั่งบริกรรมพุทธโธหรือดูลหายใจเข้าให้ใจตั้งใจฟังเสียงธรรมเท่านั้นแล้วจะได้เกิดปัญญาถ้าสามารถพิจารณาตามได้ถ้าไม่สามารถพิจารณาตามได้ฟังเสียงไปเสียงธรรมก็จะกล่อม ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อา น, นิสงส์ของการฟังธรรมจึงมีอยู่สองลักษณะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาและฟังเพื่อให้เกิดความสงบก็ขึ้อ น, น อ, ยอยู่กับคมิจิตูมิธรรมของผู้ฟังว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับสมาธิยังไม่เคยเจริญปัญญา ยังพิจารณาทางปัญญาไม่ได้ก็ฟังเสียงธรรมไปให้เสียงธรรมกล่อมให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าอยู่ในระดับปัญญาสามารถพิจารณาตามได้ก็พิจารณาตามไปก็ะจะเข้าใจถึงเหตุและผลของสิ่งต่างๆเพราะการสแสดงธรรมนี้ก็ะสะแสดงเรื่องเหตุและเรื่องผลที่จะตามมานั่นเอง พอเรารู้ว่าเหตุเป็นต้นแล้วผลที่เราต้องการเป็นปลายเราก็จะได้บำุงเหตุจเจริญเหตุ mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าไปในทางโลกและในทางธรรมได้ก็ต้องเจริญเหตุที่ดี mm hmm. เหตุที่ดีก็คือต้องทำบุญละบา และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์และเหตุที่จะทําให้เราทําบุญณบาปชำระใจให้สะอางบริสุทธิ์ได้ก็คือความเห็นที่ถูกต้องนี่เองคือเราต้องเห็นว่าบุญนี้ทําไปแล้วทําให้เราได้รับผลดีได้รับความสุขได้รับความเจริญบาป ท, ที่ทําไปแล้วจะทําให้เราได้รับ ผลไม่ดีได้รับความทุกข์ได้รับความเสื่ความเสียต่างๆส่วนการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะทําให้เรามีความสุขใจจะทําให้เรามีความอิ่มเอิอใจมีความพอใจและจะทําให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าบุนี้เป็นประโยชน์ บาเป็นโทษการชำระใจให้สะอาดจะทำให้เราไม่ต้องไปเไว้นว่าตายเกิดอีกต่อไปถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะได้มีแต่ความอยากที่จะทำบุญและเราก็จะไม่ทำบาปและเราก็จะพยายามชำระใจของเราให้สะอาดบอยสุทไปตามกำลังของธรรมที่เรามีอยู่ เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากกอไก่ก็ไปสู่ขอไข่จนถึ ง, อ, งอ่อนนุ่คู่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเริ่มต้นจากจุดที่เราสามารถทำได้เช่นตอนนี้ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ครั้งละหนาที10นาทีเราก็นั่งไปก่อนนั่งไปเรื่อยๆ แล้วพยายามขยายเวลาของการนั่งให้ยาวขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะยขยายการนั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นก็คือการมีความภาคเพียรที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆพยายามบริกรรมพุทโธไปโดยเฉพาะตอนก่อนที่เราจะนั่ง เพราะว่าถ้าเวลานั่งเราเพิ่งมาเจริญพุโทโธใจของเราจะต่อต้านใจของเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเราจึงต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งเช่นในเวลาเราทำอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจ ดีกว่าคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ที่จะทําให้ใจเราฟุ้งซ่านไปเปล่าใจฟุ้งซ่านก็จะหาความสุขไม่ได้ใจจะมีความสุขก็ต่อเมื่อใจว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆการบริกรรมพุโทโธจึงเป็นการช่วยทําให้ใจของเราว่างแล้วก็จะช่วยทําให้ใจของเรา เข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> ตอนบริกรรมพุโทโธในขณะที่เราทงภารกิจต่างๆตอนนั้นใจ ย, ยังไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่อย่างมากก็จะได้คือความว่าจากความฟุ้งซ่านต่างๆใจไม่คิดอะไรแต่ใจ ย, ยังไม่นิ่งยังไม่สงบเต็มที่เพราะว่ายัางต้องควบคุมการกระทําของร่างกายอยู่ ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งอย่างเต็มที่ให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมเป็นอุเบกขาจำเป็นจะต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวไม่นานเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกนี้จ ะ, จะทําให้เรา มีกำลังที่จะสามารถต่อสู้กับกิเลสกับความโลภ ก, กับความอยากที่อยากจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะตอนนี้เรามีความสุขที่ดีกว่าแล้วคือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ เคยดูหนังฟังเพลงก็จะเบื่อไม่อยากดูเคยดื่มสุราก็ไม่อยากดื่มเคยสูตรบุหรีก็ไม่อยากจะสูดเคยอยากไปเที่ยวเคยไปเคยอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะเบื่อจะไม่อยากทำอยากจะทำแต่สมาธิอยากจะทำใจให้สงบผู้ที่ได้พบกับความสงบแล้วมักจะ ออกบวชกันเพราะเวลาออกบวชแล้วจะมีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องภารกิจการงานต่างๆเรื่องของปจัจจัย4ก็มีผู้มีจิตศรัทธายินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปท ร, รมาหากินไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการ ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องของครอบครัวของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาก็จะมีเวลาที่จะทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาพอทําใจได้สงบตลอดเวลาก็หมดความทุกข์ไปไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเป็นการทําใจให้สะอาดเพราะ เหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองพอเราได้พบความสุขที่ดีกว่าความสุขที่กิเลสตัณหาต้องการเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําตามคําสั่งของกิเลสตัณหาตัณหาสั่งให้เราไปเปิดตู้เย็นหาอะไรมารับประทานหาอะไรมาดื่มเราก็บอกว่าไม่หิวไม่ต้องการเพราะใจที่สงบนี้จะมีความอิ่ม มีความพออยู่ตลอดเวลายังไม่ควรที่มองข้ามความสงบไปความสงบนี้จําเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญปัญญาถ้าไม่มีความสงบแล้วต่อให้เจริญปัญญาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นโทษของการอยากดื่มโซราก็หยุดดื่มสุร่าไม่ได้ให้เห็นโทษของความอยากสูบบุหรี่ก็หยุดสูบไม่ได้เพราะว่า เวลาสุขแล้วจะมีความรู้สึกมีความสุขเวลาหนึ่งสุราแล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบก็เหมือนกับว่าเรามีของที่ดีกว่าพอเรามีของที่ดีกว่าเราก็ไม่อยากจะได้ของที่เลวกว่านั่นเองพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากได้ความสุข จากการดื่สุราความสุขจากการสูบบุหรีร่ความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขจากการไปเสพลูกเสียงกินโน้นโผฏฐภะเนีเพราะว่าความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ดังนะนั้นเราควรที่จะพยายามจริญสติให้มากๆเพราะสตินี้จะเป็นผู้นําพา ให้จิตเข้าสู่ความสงบนั่นเองถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งไปแล้วคิดฟุ้งซ่านก็จะไม่สามารถนั่งต่อไปได้เพรา็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกลำบากถ้าเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะรับไม่ได้ทนไม่ได้ก็จะต้องลุกจากการนั่งสมาธิไปแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดเลื่อยเปยื่อยให้คิดแต่พุทธโธพุทธโธไปเวลานั่งสมาธินี้จะรู้สึกเบาสบายไม่มีอาการรู้สึก อ, อ, อึดอัดหรือเจ็บตรงนั้นหรือปวดตรงนี้เลยถ้าเจ็บหรือปวดก็จะไม่รู้สึกเดียกรอ้องกับความเจ็บกับความปวดของร่างกาย น, นี่คือเคล็ดลับของการนั่งสมาธิทุกคนสามารถนั่งได้ ทุกคนสามารถทำใจให้เรือนให้สงบได้ถ้ามีสติถ้าคอยวบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้บริกรรมพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตืนจนหลับทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปพอ ม, มีเวลาว่างก็หามุมสงบที่ไม่มีอะไรมารวักกวน ปิดโทรศัพท์ปิดประตูลับประตูเขียนป้ายไว้ว่าห้ามรบกวแล้วทนั่งสมาธิไปด้านใจก็จะมีความสงบมีความสุขก็จะไม่หูไม่อยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จึงขอให้พวกเรา ผัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ยากเลยเพราะว่าวันๆ น, นึ่งเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ความคิดของเรานี่ไม่เป็นประโยชน์กับใจของเราคิดแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีทําให้หงุดหงิดลำคาญใจวิตกกังวลวุ่นวายสับสน สู้คิดแต่คําว่าพุโทโธจะดีกว่าคิดแต่คําว่าพุโทโธแล้วใจจะว่างใจจะเย็นใจจะไม่มีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นบัวและเวลานั่งสมาธิก็จะได้สงบได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถตัดกิเลสได้ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังที่จะตัดมันไม่ได้ เราจะไม่สามารถออกบวชได้อย่างจริงๆออกบวชได้ก็บวชไม่ได้บวชเพื่อไปเจริญปัญญาบวชไปก็เพื่อไปรับใช้กิเลสตัณหาไปทำความอยากของกิเลสตัณหาโดยที่ไม่รู้สึกตัวคิดว่ามาบวชเพื่อมาฆ่ากิเลสแต่กลับกลายเป็นคนใช้ของกิเลสไปเพราะว่าไม่ไม่ฆ่าไม่ตัดความอยากต่างๆนั่นเอง มาบวแล้วก็ยังทำตามความอยากต่างๆอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยไม่เคยถามตัวเองไว้เลยว่าทำไปแล้วทำให้กิเลสตายไปหรือว่าทำให้กิเลสมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีเป้าหมายเราจะรู้ว่าเราจะทำเพื่อความสงบใจ เวลาเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมานี้จะความสงบที่มีอยู่นี้จะถูกทำลายไปชั่วคราวเหมือนน้าที่นิ่งพอโดนโดนมีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ำน้ำก็จะกับเพื่อมขึ้นมาชั้นใดใจที่มีสมาธิก็จะเป็นเหมือนน้ำที่นิ่งแต่พอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็เหมือนกับ โยนก้อนหินลงไปในน้ําใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาพออยากได้อะไรปับ๊บมันใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาถ้ามีปัญญามีสติคอยเฝ้าดูใจก็จะรู้ว่าตอนนี้กําลังใจกําลังกระเพื่อมแล้วกําลังไม่สงบแล้วและเหตุที่ทําให้ไม่สงบก็คือความอยากความโลภนี่พอ ร, รู้อย่างนี้ก็ตัด ท, ทันทีไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากพอตัดได้ปับ๊บใจก็กลับมาสู่ความสงบเหมนือนเดิมเหมือนกับถ้าเราหยุดโยนก้อนหินลงไปในน้ำไม่นานน้ำก็จะกลับมานิ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเราโยนก้อนหินลงไปเรื่อยๆพออยากก็ทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ทำตามความอยากอ ใจก็จะเพ้่งไปเรื่อยใจก็จะไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่นักบวชผู้ที่มาแสวงหาความสงบจะพึงกระทำกันนักบวชควรจะแสวงหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการปรึกวิเวด้วยการอยู่ตามลำพังเดินจงกรมนั่งสมาธิ ไม่ใช่มานั่งนั่งคุยกันนั่งดืมนั่งรับประทานอันนี้เป็นความสุขของคารวะาของผู้ที่ไม่บวชของผู้บวชนี้จะไม่หาความสุขจากการคุยกันจากการาดื่มเครื่องดิมต่างๆรับประทานขนมต่างๆแต่จะปีกวิเวกไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ ถ้าจะรับประทานหรือจะดืม่มก็ดื่มตามความจาเป็นความต้องการของร่างกายก็จะดื่มแบบมีเวลาเหมือนกับรับประทานยาเวลารับประทานยานี้เราไม่ได้รับประทานตามภามอยากแต่เรารับประทานตามคามาํ า, า, าคสั่งของหมอตามเวลาฉันใดการรับประทานอาหารของนักบวชของผู้ปฏิบัติธรรม ก็ต้องรับประทานเป็นเวลาตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าถือศีลแปล ก, ก็ให้รับประทานได้ถึงเที่ยงวันถ้าถือธุดงกวัตเช่นฉันมือเดียวก็ต้องฉันหมเดียวเช่นตอนเช้าเช่นวัดนี้ถ้าที่ถือธุดงกวัดก็จะฉันมือเดียวฉันมาหลังจากที่กลับมาจากบินทบาทแล้วก็ฉันฉันเพื่ออยู่ไม่ได้ฉันเพื่อตาเพื่อความยาว ถ้าฉันเพื่อความอยากฉันสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่พอเพราะความอยากไม่ได้หมดไปกับการฉันตามความอยากความอยากจะหมดไปเพราะเราฉันตามเวลาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระถืทุโลมขวัญเพื่อจะได้เป็นเครื่องตัดปัญหาความอยากถ้ายังไม่ถือทุโดงขวัญก็ อย่างน้อยก็ไม่ให้ฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วฉันได้เพียงเที่ยงวันจะฉันสักกี่ครั้งก็ไม่ว่าแต่ถ้าจะให้ดีก็ถือทุ่งธรมควัดดีกว่าฉันเพียงหนเดียวอย่างนี้เรียกว่าฉันให้กับร่างกายเหมือนกับฉันยากินยาเครื่องดื่มก็เหมือนกันเครื่องดื่มก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้ดื่มได้วันละหนึ่งครั้งคือตอนบ่าย เครื่องดื่มที่ ม, มีน้ำตาลมีอะไรต่างๆนี่ควรจะดื่มเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าๆนี้ก็ดื่มได้ทั้งวันตามความต้องการของร่างกายเพราะเวลาเราเดื่มน้ำเปล่านี้เราไม่ได้ดื่มเพราะความอยากเราดื่มเพราะความหิวกระหายของร่างกายดื่มเพราะความจำเป็นนี่คือวิธีต่อสู้กับความอยาก ตัดความอยากทำลายความอยากถ้าเราไม่สามารถทำลายความอยากได้เราก็จะกลายเป็นทาสของความอยากไปบวนแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะทนสู้กับความอยากไม่ได้ยังอยากออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากทำอะไรที่นักบวชทำไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศของวันพระชิตของนักบวชได้เพราะไม่มีความสามารถที่จะเจริญสติที่จะทำใจให้สงบเพื่อที่จะต่อต้านต่อสู้กับความอยากต่างๆนักบวชจึงจ ต, ต้องเพ่งพุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบ ต้องเพ่งไปที่การเจริญสติต้องปลีดวิเวกอย่าคลุกคลีกันอย่าอยู่ใกล้กันเพราะไปอยู่ใกล้กันแล้วจิตจะคิดปุ่มแต่จะคุยกันจะไม่มีเวลาคอยควบคุมความคิดถ้าอยากที่จะควบคุมความคิดต้องอยู่ตามลําพังไม่คลุกคลีกันต้องไปอยู่ในสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงที่ยั่วยวนกวนใจ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเจริญสติได้ถ้าไปอยู่ในที่สงบแล้วก็จะสามารถเจริญสติได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เมื่อสงบแล้วก็จะอิ่มจะพอจะไม่หิวจะไม่อยากกับอะไรก็จะสามารถอยู่ปฏิบัติทำไปได้อย่างต่อเนื่องนี่คือเคล็ดลับของผู้ที่ปรารถนา ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต้องเจริญสติให้มากต้องปีกวิเวกต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่คุกคลีกันถ้าทำอย่างนี้ได้ผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับและภาษาโลกทั้งหลายได้รับ ก็จะเป็นผลของผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สมวนเหตุไว้เฉพาะพระองค์เองหรือเฉพาะภาษาวกเท่านั้นพระองค์ทรงสมวนผลไว้ที่เหตุถ้ามีเหตุผลก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าสามารถจเจริญเหตุ คือการเจริญสติสมาธิและปัญญาได้ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งในอดีตก็มีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานที่มีเพศต่างๆกันมีฐานะต่างๆกันมาแล้วสมัยกพุทธกาลก็มีทั้งคาววดและบรรพชิตมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ ที่บรรลุมราผลนิผ่านกันเพราะว่าเพศฤาษีสานสถานภาพนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้บรรลุหรือไม่บรรลุเหตุที่จะทำให้บรรลุไม่หรือไม่บรรลุก็คืออยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเท่านั้นถ้าผู้ใดสามารถเจริ การปฏิบัติ4ประการนี้ได้คือสุตปฏิปันโนยายักปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุมากผลนี้ผ่านได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างว่าเราไม่สามารถบรรลุทำกันได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอาการวิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนเท่านั้นถึงจะบรรลุได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากพระองค์ทรงสังฝากพระธรรมคาสอนให้เป็นศาสดาแทนพวกเราเราตอนนี้ยังมีพระธรรมคาสอนอยู่มีพระไตรปิฎกที่จะสามารถสั่งสอนให้พวกเราบรรลุมากผลในผ่านได้ สิ่งที่เป็นข้อเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุได้ก็ไม่ใช่อะไรก็เพราะว่าเราไม่ปฏิบัติการเราไม่สนใจเราไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเรายังเห็นคุณค่าของลาภยศสรรเสริญยังเห็นคุณค่าของลูกเสียงกลิ่นรสโหตภะชนิดต่างๆยังอยากไปเที่ยว ย, ย, ย, ย, ยังอยากจะดื่มยังอยากจะรับประทานยังอยากจะดูอยากจะฟัง ยังไม่อยากจะนั่งสมาธิยังไม่อยากจะควบคุมใจของเราให้สงบเราจึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ได้อยู่ที่ธรรมะว่าบมดสภาพไปแล้วเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่มีวันหมดสภาพไม่มีวันหมดอายุอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติจะสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าพวกเรามีความปรารถนาที่อยากจะพบกับความสุขที่ถาวรอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรก็ขอให้เราน้อมเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้ขอให้ทํามากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราอาจจะทําการเพลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ต่อไปก็ขอให้ทำเพิ่มเป็นสองครั้งสามครั้งทำที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาทำที่วัดเดี๋ยนี้ฟังเทปที่บ้านก็ฟังได้มีทั้งหนังสือธรรมะมีทั้งเทปมีทั้งซีดีปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่บ้านก็ทาได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมาวัดอย่างเดียวถ้าเราทำแล้วสักวันหนึ่ง ผลอันเลิ่อันต่สเสดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลของพวกเราต่อไปจึงขอฝากเรืองของการมาวันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นแผนที่นำพาการเดินทางของชีวิตเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง